แนะนำบทอัลมาอูนบทอัลมาอูนเป็นบทมักกิยาะมีเจ็ดองค์การที่กล่าวโดยสรุปถึงมนุษย์สองจำพวกคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและเนรคุณต่อความโปรดปานของอลัลลอปฏิเสธแห่งการชำระและการตอบแทนคนมูนาฟิกคือคนกลับกรอกที่ไม่มีเป้าหมายในการการะทำของเขาเพื่ออัลลอ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 และได้ประนามการการะทาของพวกเขาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและสำนวนที่แปลกประหลาดด้วยพระนามของอัลลอผ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเ ال จ้าเห็นแล้วม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลก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 โดยที่พวกเขาละเลยต่อการละหมาดของพวกเขาโดยที่พวกเขาโอ้อวดกันและพวกเขาจะหวงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้าน